สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าก่อนแตก่กายแตกนะก่อนตายนะพระรหันเป็นผู้ปราศจากตันหาหมายว่าก่อนตายก็บรรลุเป็นพระหรหันนะไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นไม่เพลดิดเพลินในในขันที่เป็นส่วนเบื้องต้นอันใครใครนับไม่ได้ในส่วนท่ามกลางเพราะไม่มีกิเลสให้นับแม้แต่นิดเดียวคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ อุทธาจาักวิจิกิจชาอนุใสเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะนับท่านไม่ได้เมื่อท่านไม่สิ้นกิเลสอย่างเนี้ยกายกรรมวจีกรรมของท่านเป็นกิริยาไม่มีปุญญาพิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาพิสังขารเมื่อไม่มีสังขารอย่างเนี้ยจะนับพบหมายว่าท่านจะเกิดในนรกเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยนับไม่ได้นไแล้วท่านนั้นใครจะไปบอกว่าท่านจะชาติหน้าจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูป หรือว่าสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญาณาสัญญาก็ไม่ได้เพราะท่านอ บ, บรมอริยมรต ก, กำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยนะเพรท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันห้ามีอายตนะ12หรือว่าเกิดเป็นเทวดาในภพใดภพหนึ่งเพราะท่านสิ้นราคะด้วยอํานาจของอรหัตตมรคนี่นะซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะว่าอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอารมณ์ทั้งที่เป็นอนาคตอารมณ์ทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ย พระอรหันต์เนี่ยท่านเจริญวิปัสนาเป็นอย่างดีไครครวนเนี่ยนะโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราเคยได้ยินว่าขันเนี่ยนะั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณนีตใกล้ไกลอะ่ะพระอรหันต์ไม่ได้สาคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะนผู้ที่จะละความสาคัญว่านั่นของเราได้ก็ทุกขานุปัสนาเนี่ยชนานาญมากที่ไม่ได้ตามเห็นว่านั่นเรานี่ก็ อนิจจานุปัสสนานี่แม่นยำท่านไม่ได้มีความสําคัญว่านั่นอัตตาของเราเนื่องจากอนัตตานุปัสสนาของท่านบริบูรณ์เมื่ออานิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานาตานุปัสสนาบริบูรณ์ท่านจึงเกิดนิพพิธาณุปัสสนานี่นะเบื่อหน่ายในขันท่าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันดนั้นความที่ท่านเบื่อหน่ายในขันท่าที่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันจิตของท่านก็น้อมไปเพื่อวิสังขารแทงตลอดพระนิพพาน เมื่อแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเจริญอย่างเงี้ยสครั้ง น, นะอริยมรรคเกิดสี่มรรคท่านจึงรู้นะปัจจเวกขณะยามจึงเกิดว่าตันหาในขันทั้งมวลไม่ได้มีเมื่อสิ้นตันหาในขันทั้งมวลถ้าตันหาดับสำหรับตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับหมดสิ้นอย่างนี้แล้วกรรมก็ดับเนี่ยนะกรรมก็ถึงสภาพเป็นกิริยา เมื่อกรรมเป็นกิริยาการเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีเมื่อการเกิดในภพใหม่ไม่มีชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมานั้นและอุปายาตกองทุกทั้งมวลก็ไม่ได้มีแก่ท่านเนื่องจากว่าท่านทํากิจได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี้คาถาต่อไปก็กล่าวถึงว่าผู้ที่ทํากิจเสร็จแล้วเนี่ยท่านเป็นยังไงอ่า น, นะคุณจะทำของพระอรหรอันต์อ่ะนะก็บางคนก็บอกว่าเขาไม่ปรารถนาะแต่ว่า กิเลสตะเหมือนเดิมนะไปที่ลําปางเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วนโยมืนนะเขาบอกเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วเขาเนี่ยเขาชีวิตเขาตายแล้วเขาก็จบหมดเลยบอกเออเราก็นึกในใจว่าอาหักตะมักมันเกิดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไม่อยากเกิดเนี่ยนะจบหมดเลยนะบอกก็แล้วก็นึกกันนะเพื่อนหมอยุพินนั่นแหละเราเป็นทันตแพทย์เหมือนกันเขาบอกเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วเขาว่าั้นเขาไม่เกิดแล้ว นั่นนะติดอะไรไม่ต้องติดล็อกหมอยุพินข่ำคิดอยู่แล้วตรงนี้นงั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอนะเราเรกว่าตัวเองไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะไม่เกิดอะไรเนะี่ยนั่งดูทีวีอยู่ทั้งวันรับโทรศรัพท์ทั้งวันเน่ยนะจะไปเลี้ยงหลานอีกต่างหากเลยนะนะบอกว่าจะเลิกเกิดแล้วอุอรหัตตะมักเกิดง่ายขนาดนั้นถ้าหากว่าใครที่ตายแล้วไม่ปฏิสนธิอีกอนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาคือพระอรหรันต์ แ, แต่ว่ามันเป็นอย่างน uh> um> ั้นได้ท mhm ี่ไหนล่ะเหมือนกับว่าเนี่ยไปกู้อยู่ทุกวันแต่พรุ่งนี้จะหมดหนี้หมดสินแล้วนะอย่างนั้นตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านเนี่ยตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านตื่นเช้ามาก็กู้พันล้านแล้วก็อยู่ๆก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะหมดหนี้หมดสินแล้ววนั่งทําอะไรจะหมดหนี้หมดสินง่ายปะนั้นมันผู้ที่กล่าวว่าตัวเองจะไม่เกิดเป็นต้นเนี่ยนะหรือจะสิ้นการเกิดเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวบอกว่าฉันเนี่ยหมดการเกิดแล้ว นี่มาดูคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าคนที่ไม่ปฏิสนธิในภพต่อไปจริงๆต้องมีคุณธรรมแบบนี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้วดไม่มีความขนองพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาและเป็นมุนีเนี่ยนะอันนี้คือคุณธรรมของท่านก็มาวัดดูแต่ละอย่างนะท่านเป็นผู้ไม่โกรธแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้จักก่อนว่าไอโกรธมันคืออะไรเนี่ยนะ บางคนเนี่ยไม่โกรธใช่ไหมแต่น้อยใจเนี่ยนะเขบอกฉันไม่ใช่คนขี้โกรธนะแต่ว่าเป็นคนขี้น้อยใจเนี่ยนะน้อยใจกับโกรธเหมือนกันไหม เ, เห ม, มือนกันไหมอาจารยตอนขี้น้อยใจเนี่ยขี้งอนหน้าดูเลยนะอะไม่โกรธหรอกแต่น้อยใจอันนั้นแหละกลุ่มเดียวกันนั่นแหละอันนั้บอกว่าโกรธไม่โกรธหรอกแต่ว่าน้อยใจนิดๆคำว่านั้นไม่น้อยใจนิดๆนะน้อยใจเอามากเลยนะ แล้วแต่บอกว่าไม่โกรธหรอกเออนั่นแหละคือไม่โกรธเขาเอ อ, ค, อคำว่าคําว่าโกรธที่ของอาจารย์เนี่ยแปลว่าพยาบาทที่เรียกว่าลักษณะปรารคเพื่อจะเบียดเบียนเขาอะ่ะไม่มีไอแบบนั้นไม่มีแต่เรามีโทสะภายในเราไม่โกรธแต่เรามีโทสะภาษาไทยเป็นโกรธใช่ไหมภาษาบาลีเรียกว่าโทสะอ้อ ไม่โกรธแต่ก็น้อยใจหรือเครียดไม่พอใจหงดเงียบอันเดียวแค่ น, นั่นแหละเดี๋ยวมาดูว่าความโกรธเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ไม่โกรธในคําว่าผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งก็แต่ว่าความโกรธเนี่ยควรกล่าวก่อนนะใครที่จะไม่โกรธเนี่ยนะก็ต้องรู้จักความโกรธซะก่อนว่าความโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการสิบอย่างคือความโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการว่าเขาได้ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์ แกเราแล้วเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แกเราเขาจัดประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราคิดถึงไอ้เขาอะนะเขาคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาเคยทําลายเรานะเขากําลังทําลายเราอยู่นะเขาจัดทาลายเราเอะนะคิดถึงอย่างเงี้ยโทสะเกิดคิดแล้วก็ยิ้มไม่ได้เลยนะเครียดขึ้นมาเลยอะนะคิดถึงอย่างเงี้ยเรียกว่าโทสะละ หรือเขาประพฤติไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราแล้วเขากําลังประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเขาจักประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราบางคนนะกับตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่กับคนที่ตัวเองรักเนี่ยแหมเอาหนักมากไอคนเนี้ยมันเคยทําลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่ที่เรารักนะเขากําลังทําลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักนะ เขาจะทําลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักอันนี้แหละเรียกว่าโทสะเนี่ยนะก็ะเหมือนกับว่าถ้าด่าเราไม่เป็นไรเราไม่กโกรธแต่ยาด่าพ่อเรานะนะด่าพ่อเราในเรื่องใหญ่แน่คันเนี่ยนะลักษณะนี้แหละพวกที่ว่าทําคนที่เรารักเนี่ยนะหรือบางคนนี่ยก็โกรธเพราะว่าเขาเนี่ยได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราเขากําลังประพฤติสิ่ง เป็นประโยชน ja ์ e แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเขาจะประพฤติ i, สิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันี้มันเคยช่วยเหลือศัตรูเราเนี่ยนะมันกําลังช่วยเหลือศัตรูเรามันจกช่วยเหลือศัตรูเราอันนี้ก็โทสะก็เกิดขึ้นเนี่ยนะพ้นขอให้สิ่งนั้นเป็นปฏิฆานิมิตนะนึกถึงอะไรก็ช่างนั่นเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยนะนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบนะ ขณะนั้นเน Mmmm, ี่ยเป็นโทสะทั้งหมดถือว <hi> ่าเป็นความโกรธเป็นความน้ mm อยใจเป็นความเสียใจแต่ก็มีบางคนโกรธความโกรธย่อมเกิดในเหตุที like ่ไม่สมควรนะที่ไม่ใช่เหตุนะเช่นว่าฝนตกก็โกรธฝนไม่ตกก็โกรธแดดออกก็โกรธแดดไม่ออกก็โกรธแดดร้อนเกินไปก็โกรธแดดไม่ค่อยร้อนก็โกรธนี่นะหรือว่าลมพัดใบไม้ให้ตกก็โกรธ บางทีกวาดวัดอ่ะนะว่บอกว่าพระบางรูปเนี่ยลมพัดใบโพสตกเยอะแยะไปหมดโกรธลมอีกแหมพัดเนี่ยพราลมมันพัดนี่แหละเราเลยกวาดไม่เลิกไม่ดานเนี่ยนะวันนี้ก็โกรธซักผ้าไม่แห้งก็โกรธทุ้งข้าวไม่สุกก็โกรธเนี่ยนะไปไหนไม่ได้อย่างใจคิดก็โกรธอต่พวกนี้เร้ยว่าโถเกิดในเหตุที่ไม่สมควรเนี่ยนะเพรา ะ, ะ น, นความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุนเคืองความเครือง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 มาดูว่าบางคนเนี่ยคําเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความไม่เช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าโทสะนะเคยไหมจิตไม่เช่มชื่นเ่ยนะยิ้มไม่ได้เลยนะเครียดเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าโทสะทั้งหมดนะจิตไม่เช่มชื่นไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระปรี้กระปร่าเลยนะนั่นแหละตัณหิตตังหิตนั่นแหละเรียกว่าโทสะอีกอย่างหนึ่งควรรู้ความโกรธมากโกรธน้อยว่าบางคราวความโกรธเป็นแต่เพียงทําจิตให้ขุนมัว แค่ไม่สบายใจนะแค่แค่แค่จิตเนี่ยคุณละแต่ยังไม่ถึงทำให้หน้าเงาหน้างอก็มีนะจิตคุณแต่หน้าหน้ายังไม่งอนะสว่าสีหน้าปกติหมดอะแต่ใจนี่ไม่เอาละใจนี่ไม่ชอบกันละบางครั้งความโกรธเป็นเพียงทำให้หน้าเงาหน้างอแต่ก็ยังไม่ทำให้คางสั่นสีหน้าเนี่ยบอกบุญไม่รับแล้วล่ะเนี่ยนะเลือดดำเนี่ยพุ่งเต็มหน้าหมดละแต่ว่าคางนี่ไม่สั่น บางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่ทําให้ค้างสรรั่นแต่ว่ายังไม่เปล่ง พ, ing, พุทสวาจาคือยังไม่พูดคำหยาบออกมาบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้เปล่งพุทสวาจาคือพูดคำหยาบแต่ก็ยังไม่เหลียวดูทิศ ต, ต่างๆาก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้เหลียวดูทิศต่างๆแต่ยังไม่ให้จับท่อนไม้และสาตราก็มีบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้จับท่อนไม้และสาตราแต่ยังไม่ให้เงื้อท่อนไม้และสาตราก็มี จับแล้วนะแต่ยังไม่เงื้อจะซัดอ่ะบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้เงื้อท่อนไม้และสาตราแต่ยังไม่ให้ท่อนไม้และสาตราถูกต้องก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงให้ท่อนไม้และสาตราถูกต้องแต่ยังไม่ทำให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่ก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่เพียงทําให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่ก็ยังไม่ให้ถึงกระดูกหักก็มีบางครั้งเนี่ยความโกรธเป็นแต่เพียงให้กระดูกหัก แต่ยังไม่ให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไปก็มีบางครั้งเนี่ยเป็นความโกรธเพียงทำให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไปแต่ยังไม่ให้ชีวิตดับก็มีบางครั้งความโกรธเป็นแต่ให้ชีวิตดับแต่ยังไม่สละชีวิตของตนให้หมดไปก็มีเมื่อใดความโกรธให้ฆ่าบุคคลอื่นแล้วคือฆ่าบุคคลอื่นเสร็จนะจึงยังฆ่าตนเมื่อนั้นความโกรธเป็นไปอย่างรุนแรงอย่างหนักถึงความเป็นของมากอย่างยิ่ง โอโหความโกรธก็มีหลายระดับนะนักการระดับแรกก็คือขุนใจน้อยใจเสียใจไม่สบายใจเครียดหงุดหงิดเนี่ยเรียกว่าโกรธธรรมดาก่อนบางคนก็มากถึงก็แสดงทางสีหน้าแววตาท่าทางเลยเรียกว่าหน้าหงิกหน้างอขึ้นมาเลยแหละบางคนก็คางเนี่ยสั่นละอยากจะด่าเต็มทีบางคนก็ถึงก็ด่าออกมาบางคนก็แรงไปกว่านั้นก็เหลียวซ้ายเหลียวขวานะบางคนก็หนักกว่านั้นเอกจะเอาไม้หรือเอาปืนหรือเอามีดดีวะเนี่ย บางคนก็ยังเหลียวไปดูเสร็จก็ไปจับไม้จับมือนะพอจับแล้วก็ซัดกับเงื้อนะเงื้อก็ซัดเคี่ยนตีแต่ก็ไม่ทําให้เป็นแผลหรอกบางพวกก็ทําให้เป็นแผลแต่ว่าบางพวกก็ทําถึงก ร, กระดูกหักบางพวกก็ตัดขาดอวัยวะน้อยใหญ่บางพวกก็ฆ่าครับเมื่อใดที่ว่าฆ่าเขาเสร็จแล้วฆ่าตัวตามเนี่ยนะอันนี้ถึงที่สุดแห่งความเสียใจและเป็นที่สุดแห่งความโกรธเงินถ้าแบบพวก เป็นเอ็ดอย่างเงี้ยนะขา้ขาข้าข่าผูกมันมีครอบครัวนึ่งอ่ะผัวก็เป็นเอ็ดเมียก็เป็นเอ็ดลูกก็เป็นเอ็ดเพราะนั้นก็มัดกันทั้งสามคนเนี่ยนะมัดให้แน่นเลยนะแล้วก็กลิ่งตกน้ําตายทั้งสามเลยนะตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอะไรเป็นเอ็ดนั้นก็แสดงว่าสุดยอดของโทสะแลยนะถึงที่สุดแในความโกรธเสียใจถึงที่สุดแล้ยนะสิ่งที่รักก็ยังฆ่าเลยนะเมียที่รักก็ฆ่าลูกก็ฆ่าชีวิตตัวเองก็ฆ่า อันนั่นแหละคือสุดยอดของโทสะความโกรธนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่โกรธบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่โกรธเพราะละความโกรธได้แล้วคนที่ไม่โกรธเนี่ยเพราะละความโกรธที่เขาเลิกโกรธเพราะอะไรเพราะกําหนดรู้วัต ถ, ถุแห่งความโกรธคือเอาวัตถุแห่งความโกรธมาทําปริญญาหมดแล้วเนี่ยนะ สิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะสิ่งเหล่านั้นเอามาทําปริญญาหมดแล้วนะปริญญาสามมันะยาตะปริญญาตีระปริญญาปหาณนาะปริญญาได้หมดแล้วเนี่ยนะเพราโกรธในวัตถุใดก็ต้องเอาวัตถุนั้นมาทําปริญญาผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วจึงจะพูดได้ว่าเป็นผู้ไม่โกรธเพราะตัดเหตุแห่งความโกรธเสียได้เหตุแห่งความโกรธคืออะไรเหตุใกล้ก็คือตัวความโกรธ ด, ด้วยกันนั่นแหละเป็นเหตุให้โกรธอีกแต่เหตุไกลนะความโกรธก็เกิดจากอะไ ร, ก, รก็เกิดจาก ความรัก่อนะถ้าหากว่าบุคคลสิ้นความรักแล้วความโกรธจะมีมาจากไหนไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธที่มาหงุดหงิดเครียดก็เกิดจากตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยความถ้าเราพอใจในสิ่งใดนะให้รู้ว่าที่ติดตามมาคือความเสียใจเพราะฉะนั้นก็ว่าความทุกข์เนี่ยมักมาในรูปแบบแห่งความสุขความเสียใจก็มาในรูปแบบแห่งความดีใจใช่ไม ความเสียใจเนี่ยมาจากความดีใจใถ้าเราดีใจกับสิ่งใดเดียวก็จะเสียใจเพราะสิ่งนั้นนะนะ่เละถ้าดีใจกับมีหลานเนียวก็เสียใจกับพ่อหลานนั่นแหละแหมหลานมันยิ้มแย้ ม, ยมหัวรเราะแจ่มใสนะยิปู่ตานี่มีความสุขมากไหยถามว่าถ้าหลานป่วยตาเป็นยังไงตาจะป่วยมากกว่าหลานซะอีกเนี่้นก็บอกว่าถ้าเสียอดีใจอยู่ที่ไหนสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียใจเนี่ยไง